เรื่องห้ามฉันในภาชนะเดียวกันเป็นต้นสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบ้างดื่มน้ําในขันเดียวกันบ้างนอนบนเตียงเดียวกันบ้างนอนบนเตียงที่มีเครื่องลาดเดียวกันบ้างนอนบนเตียงมีผ้าหม่มผืนเดียวบ้าง นอนบนเตียงมีผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูและผ้าห่มบ้างคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าฉไหนพวกสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงดื่มน้ำในขันเดียวกันบ้างนอนบนเตียงเดียวกันบ้างนอนบนเตียงมีเครื่องลาดเดียวกันบ้างนอนบนเตียงมีผ้าหม่มผืนเดียวบ้าง